เจะลึกสถานการณ์ความยากจนชายแดนใต้วิจัยชีย้ทางออกจากความเหลื่อมล้ำด้วยข้อมูลและนวัตกรรมพื้นที่สามจังหวัดไทยแดนภาคใต้ของไทยซึ่งประกอบด้วยปัตตานียะลาและนราธิวาสยังคงเผชิญกับปัญหาความยากจนที่รุนแรงและซับซ้อนรายงานสถานการณ์ความยากจนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ปี2565ถึง2567 ซึ่งเป็นผลผลิตจากโครงการวิจัยแก้จนโดยความร่วมมือของหลายมหาวิทยาลัยในพื้นที่และหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่หรือ บ, อบพอทอได้ฉายภาพความเหลื่อมล้ำที่อย่างราลึกพร้อมนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและยั่งยืนภาพรวมความยากจนความเหลื่อมล้ำที่น่า ก, กังวล ข้อมูลจากรายงานสถานการณ์ชี้ให้เห็นว่าภาคใต้เป็นภูมิภาคที่มีปัญหาความยากจนรุนแรงที่สุดในประเทศโดยมีสัดส่วนคนจนสูงสุดถึงร้อยละ 10.9 โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีสัดส่วนคนจนสูงถึงร้อยละ 32.80 ของประชากรทั้งหมดหรือเกือบหนึ่งใน3ของประชากรในพื้นที่ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศถึง 3.8 เท่า ความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ยังเป็นอีกหนึ่งปัญหาสำคัญประชากรในพื้นที่นี้มีรายได้เฉลี่ยเพียง 5,725 บาทต่อเดือนซึ่งต่ำกว่ารายได้เฉลี่ยของประเทศที่ 9,409 บาทต่อเดือนอย่างมากยิ่งไปกว่านั้นกลุ่มคนที่รวยที่สุดมีส่วนแบ่งรายได้สูงถึงร้อยละ 41.4 ของรายได้ทั้งหมดในภาค ในขณะที่กลุ่มคนที่จนที่สุดมีส่วนแบ่งรายได้เพียงร้อยละสองเท่านั้นสะท้อนให้เห็นถึงช่องว่างทางรายได้ที่กว้างถึง 20.6 เท่าสาเหตุหลักของปัญหาความยากจนเชิงโครงสร้างประกอบด้วยสถานการณ์ความไม่สงบที่ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2547ส่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเศรษฐกิจการลงทุนและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนการศึกษาและการพัฒนาคน ระดับการพัฒนาคนในพื้นที่ยังคงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศโดยเฉพาะด้านการศึกษาซึ่งเป็นปัจจัยฉุดรั้งการพัฒนาคุณภาพประชากรโอกาสในการประกอบอาชีพการขาดโอกาสในการจ้างงานในพื้นที่ทำให้เกิดการโยกย้ายแรงงานไปทำงานในประเทศมาเลเซียหรือที่เรียกว่าแรงงานต้มยากุ้งขณะที่ภาคเกษตรกรรมก็ประสบปัญหาการขาดแคลนที่ดินทากินภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นพื้นที่เสี่ยงต่อภัยพิบัติทางธรรมชาติเช่นอุทกภัยรุนแรงในเดือนมกราคม2567ซึ่งซ้ำเติมความเดือดร้อนของครัวเรือนยากจนความยากจนข้ามรุ่นข้อจำกัดด้านการศึกษาและโอกาสในการทำงานทำให้วงจรความยากจนถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นและจากัดโอกาสในการเลื่อนขั้นทางสังคมนวัตกรรมแก้จนพลังข้อมูลและกลไกลความร่วมมือ โครงการวิจัยนี้ได้พัฒนานวัตกรรมที่สำคัญคือแพลตฟอร์มขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำระดับจังหวัด (Provincial Poverty Alleviation Platform) หรือ PPAP ซึ่งเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาที่อาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยมีหัวใจสำคัญคือระบบข้อมูลครัวเรือนยากจนแบบชี้เป้าที่เรียกว่า PPConnect ระบบข้อมูลนี้ได้ทำการสำรวจและวิเคราะห์ปัญหาความยากจนโดยใช้ฐานทุนการดำรงชีพ5ด้านซึ่งข้อมูลล่าสุดณวันที่31พฤษภาคม2567พบว่า3จังหวัดชายแดนภาคใต้มีครัวเรือนยากจนรวม 48,119 ครัวเรือนหรือ 254,300 คนโดยมีปัญหาที่น่าเป็นห่วงที่สุดในแต่ละด้านดังนี้ทุนมนุษย์ มีคนจนที่ไม่มีทักษะอาชีพสูงถึง 144,608 คนทุนกายครัวเรือนไม่มีที่ดินทำกิน 22,994 ครัวเรือนทุนเศรษฐกิจ ครัวเรือนไม่มีเงินออม 32,494 ครัวเรือนและมีปัญหานิสินหนี้พิน2 4ึ0 4ครัวเรือนทุนธรรมชาติบ้านพักอาศัยอยู่ในพื้นที่ภัยพิบัติ 14,019 ครัวเรือนทุนสังคมขาดการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชนสูงถึง 23,813 ครัวเรือนโมเดลแก้จนสู่การปฏิบัติจริงในพื้นที่ จากฐานข้อมูลที่แม่นยำนำไปสู่การออกแบบโมเดลแก้จนที่สอดคล้องกับบริบทและศักยภาพของแต่ละพื้นที่โดยมีตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จเป็นรูปธรรมดังนี้จังหวัดปัตตานีพัฒนาโมเดลปัตตานียั่งยืนที่เน้นเศรษ ฐ, ฐกิจชุมชนใช้ฝั่งทะเลยกระดับการแปรรูปอาหารทะเลและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เพื่อสร้างอาชีพและไรายไดใ้ให้แก่ครัวเรือนเป้าหมายจังหวัดยะลา ขับเคลื่อนวาระยาลาทุเรียนและพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานอัตลักษณ์พหุวัฒนธรรมเช่นผลิตภัณฑ์ฮาลาลและการท่องเที่ยวเชิงอีโคในอำเภอเบตงซึ่งเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญจังหวัดนราธิวาสสร้างโมเดลที่ส่งเสริมทักษะอาชีพบนฐานทรัพยากรท้องถิ่นเช่นการเลี้ยงชั้นโรงเพื่อผลิตน้ำพึ่งคุณภาพสูงและการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากขิงเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและรายได้ที่ยั่งยืนให้แก่เกษตรกร ความสำเร็จและก้าวต่อไปโครงการวิจัยนี้ไม่เพียงแต่สร้างองค์ความรู้แต่ยังเกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับปฏิบัติการโดยเกิดกลไกนักบริหารจัดการเชิงพื้นที่หรือ Area Manager ซึ่งเป็นบุคลากรในท้องถิน่นที่ทำหน้าที่ประสานงานและขับเคลื่อนการแก้ปัญหาความยากจนอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ยังเกิดการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาควิชาการภาคเอกชนและประชาสังคมอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ความท้าทายข้างหน้าคือการขยายผลความสำเร็จเหล่านี้ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่และสร้างความยั่งยืนให้กลไกที่สร้างขึ้นสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องเพื่อเป้าหมายสูงสุดคือการทำให้พี่น้องในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้สามารถหลุดพ้นจากวงจรความยากจนและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างแท้จริง